ปนะียาวเข้าไปแล้จะเริญ ส, สติปัญฐานนะให้รู้สึกกายอยา่าลนานะกายแปว่าใครเอารีวยาวาออกไปมันมากถ้าพูดนิดเดียวกำมือลูกน่อยู่เหยียดมือลูกไม่รู้อนนียมันรู้อันนี้รู้อนี้ไป่ใรู้นั่นเนี่ยอ้าวนี้คุณคุณสุใจสุใจกำมือรู้รู้ไหมอาบานี้อยากำนั้น่กำมือรู้ไหม ไม่รู้เห็นรู้เห็นเมันมันสังขารประเภทเราจำรู้เองเห็นไหมเนี่ยผมรู้มันจะมีสองแบบรู้จำรู้จักรู้จัำเห็นรู้จักเัาเห็นจำรู้แจ็คคือเรากจำเองรู้เองคนอื่นําเราจะรู้ทําไมเห็นรู้จำรู้จักจะไม่มีการรู้แจ็คเรากจำเองรู้แจ็ครู้จริงมันจะมีสี่รู้ดังนั้นระดับปัญญาของเราก็จะไปตามําดับนั้นสิว่าสี่คู่แบบรู้ เอสาสวัสดูสาวตสกตงกูนั่นแหละสงสารโลกของพระภิกษุท่านตำนาพูดดีแล้วระดับแรกเป็นยังไงระดับแรกที่สุดสทีมันลูบลูบน้ำเป็นเปลือกของมันฉะนั้นสาวนาทำนาจนหมอยากกินฟางอยากกินฟางอยากฟางกระชีใใ้ให้หัวให้ควายบันกับกดดหัวควาย ห, หัวควายให้หวใ้ควายกิน แล้วจะไปกินใไปกินมันขาคอระบายกินข้าวสุกอย่าไปกินเข้าเปลือกกินข้าวเปลือกมันเอาไปทําไมเอาไว้เสื้อมันหรือเอาไว้ให้หมดกินให้ตุ๊กไก่ตัวเป็ดกินกินได้กินข้าวสารไม่ได้แต่มดินคนต้องกินข้าวสุดชาวพุทธต้องรู้ว่าอันนี้เป็นเ ป, นเ ป, นปลือกมันอันนี้เป็นตกพีมันอันนี้เป็นแปนมันอันนี้เป็นใจกลางของมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าเราไปกอดเปลือกเราจกอดจนตายแล้วไม่ได้เห็นนะ เราจะเอาเปลือกมันนัไปปลูกบ้านเราไม่ได้เอาต้องเอาใจกลางมันไม่เป็นดังนั้นถผูพกระสาสนะต้องรู้จริงจริงถ้าพวกเราเรียรู้จริงๆอย่างนี้ท่าทายได้ทุกคนละอ้าวรับรองไม่ถึงสองปีเลยพวกท่านเนี่ยจะคุณใจเนี่ยทํางานอะไรเนี่ยพอพอนี่สว่าอย่างไรไม่ทราบข้าราชกาคนเรื่องข้าราชการคนละเรื่องเนี่ยอาะจายก็ต้องไปเ <c oughs> ลียนรู <c oughs> ้แทนทีเลย เร้่องมัน ก, ก็เร็วๆเข้าตอนนี้ผู้โรเรียนจะมีก็อยู่เนี่<ฮ>สอนนักเรียเนี่สอนสร้างตัไปขึ้นมานึกกระจายกันเข้าไปนึกกระจายเข้าไปแล้วเหมือนไทยเป็นกระสอดอกไม้ที่ถูดไม่ถ้าเป็นกระสอนมัน ก, ก็ได้ที่ว่าเป็นเป็นดอกที่บานยากก็ได้เรื่องมันกาลังจูมอย่างนี้ก็ได้มันสมมติพูดแล้วทุกคนจะมาชมมาดมนมันหอมธรรมะอันนี้มันหอมอย่างที่หลวงพอ่อเขียนไม่ได้เป็นเขียนไม่เป็นจริงๆเดี๋ยวนี้เขาหะดเขีน อา่านเขาแล้วหลพ่อเป็นคนบนนันเนาะพูดจะไม่ฟองตัวอย่างที่พุทธโยนฟังไม่ฟังตังวมาทีแรกพูดอยู่ที่วัดสุปนประทามคนฟังไม่รู้เรื่องพูดแบานั่นเลยพูดเดียวนี้เนี่ยในการสมสมมาสอให้ที่วัดสุตประทานหลวงปู่โยนนั่นไปสนอาใหที่วจุตประทานกับผู้ว่าผู้ว่าราชการเมืองนนท์ไปสอนให้าาารรใหากพูดกับพ อ, พอเป็นได้ก็ไม่ดี ไม่ดีไม่ดีก็อยฟังถ้าเราเพราพูดภาษาเมืองเลยรักเรางเกี่ยวเดียวเกี่ยวเดียว่ยาวพวกท่านฟังไม่เต็มคอยฟังเขาฟังภาษาเมืองเลยรับรองว่าไม่พลาดเดี๋ยวนี้ไม่พลาดนะคําพูดนี่ยพาดตัวหนรรังสือแล้วพวกท่านจะฟังจย่างฟังผลานควรรู้คัน ต, นต้นรู้ลุกมน้ำแก้ทุกทางใจอย่างไรยังแก้ได้คือไม่ได้ขีไม่ไว่าเทวดา ไม่เสื้อลวดงามงามดีไม่เสื้อคาถาบราณไม่เสื้อจริงๆอันนี้รับรองได้ตอนเย็นม า, ลลมานหลวงพอรู้สมมตานของพิมรับรองได้นี่อันนั้นมันเป็นกะทิมันเป็นข้าเป็นฟ้าอ น, น่นะนะเอามาใส่มาบันนี้พอดีเห็เนโอเคพอมันอยู่ที่ตรงนี้เองรับรองได้ละเออนี่นัเอาแต่นี้ไปเรียกว่ า, ป, มมา ป, ปัจสมัมังการปัจมวรเลิศแรกที่สุดจิตใจคนเปลี่ยนจากสราทำหนะักมาเป็นเบา เปลี่ยนจกษากสภาพมืดมาเป็นสว่างเปลี่ยนจากสภาพโง่มาเป็นสลาดเปลี่ยนจากสภาพไม่รู้มารู้อันนี้ออกเป็นพระหย่อมขั้นต้นดอกกระถินมาฝากจำได้มันดีจริงๆเรื่องนี้ขั้นที่สองห่วมยึดมันแต่มันจางหายไปแต่ว่าทุกติณสารขั้นที่สามศีลปลากรดขึ้นมาแล้วไม่ใช่นอนั้นต้องรู้จริงๆเสีลจิตวิรักษาคนไม่ใช่คนไปรักษาเสียง ตัวของฉันเนี่ยเคยรักษาติมาจงว่าเป็นนมไม่รู้เมื่อขั้นที่สามเนี่ยสินลักษาคนเนี่ยเป็นอะไรมาเดี๋ขั้นที่สิรู้จากเรื่องความสงบสองประเทศสงบสมทะธรรมฐานสงบแบบไม่รู้สงบอภิสัณานาเนี่มันแจ้งขาวจากเจนได้เรื่องนารกสวันรู้จริงๆพอดีรู้จุดนี้ก็เรียกว่าสินจุดแล้วเนี่ย ปมาฐมสารทุกสิ่งสารปัจจัารจากทัวข้าพเจ้ารวมตัวเข้ามารู้ทั้งหมดเลยรู้จริงๆริงยุทจักขยายตัวทงังทลายไปทั้งหมดเลยทุกคนรู้เดี๋ยวดีเขาะะ้าใจเรารู้แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้คนยังไม่ทำยังไม่รู้ถ้าจะพูดอย่างนี้เกาใช้เวลานานนะอยากให้พวกเราไปตั้งใจทํากันบ้างตั้งใจจริงๆริงนั่งอยู่ี่ก็ต้องเคลื่อนไหวฟับงบ้างบา ง, บางทีจิตใจเราคิดแอบโกรคิดแล้ว รู้จักจับจุดนี้ห้มันได้มันคิดแแบบอยากเข้าไปในความคิดตัดความคิดทันทีมันจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแแบพอดีมันรู้ความคิดขึ้นมาเลยรู้จริงจริงความคิดมันจะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าสติมันก็จะเร็วเข้าเร็วเข้าเหมือนกับนักมวยนักมวยขึ้นเวทีไม่ต้องไหว้ครูหรอกยานเข้าไปซกเลยซกลื้ตาเลยสกลื้ตาพอดีตีลูกตามผู้ต่อสู้มันจะโล้มทันทีเลย อันนี้เข้าเหมือนกันคนคิดมันจะคิดมาแล้วเพว่ามันนึกจะคิดพุ๊มันจะเข้าใจถึงผมคิดจะถูกหยุดสักันทีพราะครูโตสู้มันีอก็เป็นแซนเปียสไรอยางเงี้แซนเปียสเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยอันนี้เข้เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้นะในต่างอย่างเนี่ยใครจะพูดยังไงกันเขาบอกเขียนหนังสือกับเขียนทางการอย่างนั้นทําไปตามหน้าที่จะบอกคนรู้ธรรมะอันนี้เนี่ยเป็นครูโรงเรียนก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้ เนื้อเป็นข้าราชการแผนกเป็นผู้ใหญ่บ้านกลานั้นได้ทนานั้นเป็นตำรวจทาหารได้ขนานั้นได้เพราะทำการทางานทำหน้าที่ควาทุกจะไม่มีเมื่อเมืองไทยไม่มีทุกแล้วมีกวามเจริญคาก้าวหน้าทำไมจึงไม่มีดอกไม้เมืองไทยของทดลองดูถ้ามีความเจริญความก้าวหน้าเดี๋ยวนี้เข้าใจว่ารับรองว่าพวกคนมาสดจิจิงๆพุกสร้างภาษาเดี๋ยวนี้เนี่ย ท, ที่พูดให้ฟังไม่ใช่อู้ไม่ใช่คุยท่าเนี่ยอย่างที่อาจารยเนี่ยเขียนหนังสอไม่เป็น พูดภาษาเขาไม่ได้เขาเอยากจ้างไปพูดให้เขาฟังมีล่ามไปแปลให้ฟัง เ, เสียเงินเขาคนใครแท้ๆพูดให้ฟังทำไมไม่ฟังเพราะเรื่องอะไร <c oughs> นี่แหละคนหนึ่งโอ้โหผู้คนจีนให้ฟังไม่ต้องกันยังเป็นโ อ, อ้ดีเหมือกันฟังดูสันนเงเกตที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ย <c oughs> พวกท่านเนี่ยพูดภาษาก็ได้อะไรได้เท่านั้นลองลอ ง, ลองทําดูที่ถ้ า, ามันไม่เป็นอย่างคำพูดเนี่ย เขาออกมาไปที่านี้ได้จริงจริงรับรองจริงจริงขอดายฆ่ามาจากมือกันได้สามปีดายฆามาจากมือกันได้สามปีถ้าเดือนเดินทนางบานเนี่ยสามสีจะคิดให้เลยถ้าไม่รู้อะไรคิดให้เลยแต่ว่ากลัวจะย่ามาได้สมงออกมาไปกลัวจะจมาให้คนนั้นเองเราจะม า, จะจะมาให้รจะจะหับรองจริงๆตัวของหลวงพ่อเนี่ปฏิบัติสามเดือนนั่นเองแต่ไม่เกินสิบวันนะั่นรู้จริงๆเรื่องนี้ แต่เป็นคนจริงซะด้วยนะเคยสอนมาแนี่เด็กน้อยเนี่ยไม่ถึงสามสาิบาทคนมีอนาตอย่างมากไม่เกินสามเดือนนัด ล, ลองสอนมาแล้วนี่รู้เพียงจะ่ากให้จิตใจเตือนจากสภาพเดิมเท่านี้นะแต่ไม่ถึงที่สถของผูเขาแล้วไปดลวยนะไม่ตอบคุณเพียงแต่ไม่โกรธไม่ลงไม่ลดเอาลนะ่นี้ก็พอกินข้าวสบายแค่นี้ไม่ต้องหวาดที่เป็นอะไรนะเอาแค่นี้ก็ใส่ได้เอาใครกล้ามาสามปีผู้กันเลยเดือนเดือ น, น, นอัตราเท่าไหร่ สามพันบาทเอาเถอะสามปีจะคิดให้เลยหรือมือบาเถอะสามปีจะคิดให้เลยจริงๆเรื่องนี้จริงจิงแต่ว่าไม่มีคนกล้ามาจับมืออย่างนี้เอาแบมือเขาจะมาจับมาจับได้เอาเลยไม่มีคนกล้ามาจาับนี่คะว่าพูดดีแต่ปาก่ากลอนสอนเขาอเ่งรับรองไลยมาอยู่ใกล้ไม่ใช่จะมานั่งที่นี่ไม่ใช่จะมามอยู่ใกล้ๆสละกเวลาการงานไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไร สละเวลาต้องสร it <laughs> ้างจิต <gesture> ส <of worry today> ิเขานี่สามปีถ้ามาติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เงินเรืนหนูเท่าไหร่บอกมาเลยสองครั้เขารับรองจากใครเลยรับสองครั้งทำถึงสามปีทุกวันทุกวันจริงๆหลังจากใครเลยตั้งตาเรื่นเรื่นมาจับหนึ่งรกันนั้นจะให้เลยให้จริงจริงทำจมิงจริงๆมันไม่ขึ้นกับบารมีคือคนบางคนอย่างที่ลุงพ่ออธิบายเมีชาผมกเห็นแล้วพี่ชาหลวงพ่อ คือว่าสอาเท่าไหร่ก็ไม่เอาคือเขาไม่เห็นเองเพราะว่าอาจจะบารมีเขาไม่ถืองคนเราจะอาจจะมองไม่เห็นที่เห็นเพราะว่าสามปีก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนับหลรองว่าไม่ผ่านสามปีนี่ไม่ผ่านจริงจรอันนั้นคนนั้นเขาเป็นที่สายเขาไม่เชื่อเลยเขาไม่ทํามําเลยเขาบอกว่ามึงจะมาพูดให้กูฟังมึงก็ที่หลังกูกูให้เข้ามงจริงมึงจะมาสอนกูเขาพูดประจัญเป็นที่สาย เขาเชื่อเขาไม่เชื่อไม่เชื่อฟังบอกให้ทำมือดูสิผู้ทาเนี่ยผู้กับรู้สิมึงจมาง ม, ม <c oughs> ันสอนู้ําไงผู้ทีกแหนึ่นน <c oughs> งตอที่ผมฟังเมตชา น, นีคุณลุงพ่อบอกว่าเมืที้ก็กพูดว่าถ้ามันติดอยู่พอะสะติมันมาปุ๊บมันจะตัดแต่ลุงพ่อในขณะเดียวกันลุงพ่อก็บอกให้ตามรู้สิ่งที่ ม, มันก็ไม่มีการตัดสิตามรู้อยู่ตลอดไม่ต้องตามหลังตลอดแล้จะไปตัดอะไรอะไรมันเข้าไปในคนคิดอคือให้มันคิดอย่าไปห้ามคนคิดเหมือนนักมวยขึ้นไปคู่ต่อสู้ไม่มีใครต่อสู้มาจะรู้ซกทำไมไปเรียนมาจนจบแล้วคู่ต่อสู้มัน่มีจมะซกถีซกไปนในเวทีไม่ต้องไม่ต้องเรียนกับคูเลยยืนเอาคู่ต่อสู้มาแล้วซกหนึขข่งตาทีเดียวเนี่ย อันนี้ถ้ามันคิดมันขึ้นมามันจะปุ๊บทันทีเลยที่แรกนักมวยหรือครโตัวสูงเนี่แพ้บ้างสนะบ้างแพ้บ้างสนะบ้างเอายัางที่เแมวจับหนูเนี่ยมันจับแล้วก็ลากไปค่ะให้เข้าแมวกินแมจวจะโตขึ้นโตขึ้นเลี่ยแบบหนูมาจับปุ๊ตายทันทีนักมวยก็เหมือนกันที่แรกขึ้นในเวทีต้องไหว้ครูหันหน้าไปที่นั้นหันหน้าไปที่นี่ไหว้ครูผลซกเข้าไปแล้วแพ้บ้างชนะบ้างบันนี้ไม่ต้องไหว้ครูกันขึ้นไปเฉย บายปูที่ตั้งที่คอยดูที่คู่ต่อสู้มาประสบเรืนีเนี่ยเอาแบบนี้แต่ให้มันมีคู่ต่อสู้มันงเป็นคู่ต่อสู้นย่ยซกได้สบายแล้วก็ซกรวมๆนั่นแหละก็ไม่ได้เรื่องจะไปห้ามไม่ให้มันคิดมันห้ามไม่ได้ให้มันคิดมันยิ่งคิดเราจะรู้เสืว่าทนสคิดเนี่ยให้รู้ว่ามันคิดให้รู้ว่มันคิดมันคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะตามไปทีแรกพอดีมันคิด คนคิดจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าตอนี้คิดปุ๊บมันจะ ร, รู้ทันทีเหมือนวิธีบวกกับลบลบออกวบออกมาากันจะเหลือแค่ตัวตัวเท่า ต, ตัวมันศูนย์ไปศูนย์ไปนว่าจะให้ตัดไหมไ ม, ม<า>่รู้จะรู้จะว่าตัด จ, จะได้จะว่าลบจะได้เนี่ยจะทำสมมติพูดนี่ทีแรกที่พูดให้ฟังไงรู้เรื่องรูปนาเนี่ยคนคิดมันจะยืดยาวไปมันดีใจยืดยาวไปรู้ไปใต้ดินก็จะรู้ มีม็ดหินเม็ดใสมันจะรูปอะไรอย่างนั้นแหล่ะรู้แบบท่วงพอดีมาเห็นของคิดปุ๊บผมคิดเนี่สร้างเข้าสร้างเข้าตลอดตัวนี้เนี่ยทําให้เป็นพไม่เป็นพอันนี้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอันนั้นพระอันนั้จะรูปที่ตัวนี้พอดีทําเข้าไปเห็นขาคิดตัดสินปุ๊บตัดปุ๊บตัดปุ๊บแต่มันจะสร้างเข้าสร้าจิตใจเราเตื้อเอาสภาพเดิมเลยมันจะเบาใจเท่านี้โปเป็นภพระมนตัวนั้น พรมืดมันหายไปแล้วพรเห็นความคิดเนี่มนพรที่เราคิดก็เห็นรู้เท่าทันีเนี่ยคนเป็นพระมันไม่ยากใจเดียวก็เป็นได้ฟังแล้วเข้าใจกันจิตนี่แหละพาแยกบุคคลขั้นต้นที่สุดเดีวพระโสดาบันได้กระแสพระนิทานกระแสพระนิทานก็คือตรงนี้เห็นความคิดเออนี่เองมันก็รู้เนี่ยพระโสดาบันพระโสดาบันมักเว่าคอยเอาสติมาดูจิตเนี่ย มากไปว่าข้อปฏิบัติเพื่อถึงที่สุดคนพุดตําราพูดไม่อยากพูดเลยตำลาเอาไว้ให้อาจารย์ไหนออกเถอะไม่เอาลนะนั่นไม่ใช่คําพูดเราไม่ต้องพูดเอาสติมาดูจีนไม่คอยดูมันอยู่เนี่ยไปไ ห, ไหนมาไหนไม่ต้องมากก็ได้นีอันมากเราไปว่าข้อปฏิบัติเพื่อจะคุยกับพวกใครๆก็จะเปซื่อนาฬิกาหรือที่ชอบแล้วเดินเราอย้่ให้เขาเนี่ยเท่านั้นเองหรือดูตัวคิด ม, มันเป็นคำพูด แต่ไม่ได้พูดอย่างนี้พระที่สอนทขาไม่ได้พูดอย่างนี้ที่ที่สอนเนี่ยจะว่าอะไรก็ได้มักเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เฉลี่ยสุดมักคือรู้จิต ด, ดูใจเมื่อใจมันคิดมาดูกัารเคลื่อนไหวเนี่ยที่สุดของทุกข์คมทิดเราจะดูที่มันพอดีเห็นปุ๊บจิตใจมันจะขมโกรธมันจะไม่มีคมโลมมันจะไม่เกิดขึ้นขมล้มันจะลดน้อยไปรน่อยไปนี่แต่ว่ามาก ผลของมันคือมันไม่โกรธเขาจะอย่างนี้อโสดามากโสดาคนสี่คู่แปดูเนี่ยมอยู่นี่พอดีดูไปสร้างไปควมยึดมั่นถือมั่นอุปทานนะขั้นที่สองมันจะลดไปขั้นที่สามสิ่งตกติขั้นที่สี่รู้เยี่ยวสมถะกรรมาฐาสงบแด บ, บนั้นสงบใต้โมหะสงบอยู่ในถ้ำโคยอยู่ในถ้ำนั่งสงบอย่างเนี้ยพอดีจุดไฟขึ้น ไฟอยู่ข้างหน้ามืดมาข้างหลังเนี่ยไฟมาข้างหลังมืดมาข้างหน้าเพราะเราอยู่ที่มืดมืดมันอยู่ในมือเราเนี่เองดังนั้นสมาธาิสมาธาิจิตวิสักอยู่ในอดสงุทเพราะมันมีมืดอยู่ในมือเราเนี้่ไฟจับเดินไปไหนมาไหนถ้าเดินมนตาตกเห็นวตายเลยแล้วออกจากถ้ํามาอยู่ที่แง่แง่เนี่ยมองดูไปสภาพอย่างนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปเข้าในถ้ํา มันสมมติมันจะทำกับสุกันอย่ า, ขขยาเข้าไปในคนสมมุตินนั้นว่าอย่างนี้ก็ได้แต่มันพูดไม่เป็นเพราะมันไม่มีตัวจับมาให้ดูเองไม่เป็นเเพียงพูดให้ฟังเท่านั้นเน่ะมีความสงสัยต้องทําเองมันเกิดขึ้นมาคนที่รู้น่ะจะไปสอนแต่จะแก้ปัญหาให้จวงพระแปลีผู้สอ น, นผลพระแปลีผู้สอนอันนี้พระอันนี้พระโดยสมมุติคนในสอนคนนั่นเป็นพระ สอนวิธีดับทุกทางใจภาคจะมาเป็นผู้สอนภาคจะเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นครูสอนครูโรงเรียน่อนครูโรงเรียนสอนเด็กนี่มันจะครูสอนภาคกับครูอันเดียวกันอที่เราให้ฟังนใช่ไหมไม่ยาก ท, ท, ที่คิดว่ามันไม่ยากเนื่เพราะว่าตัวเองทํามาแล้วนีไม่ต้องอาศัยบาลามีนะบาลมีเนี่ยไม่ต้องพูดมันเลยป่านะเดี๋ยพรอมีนะเดี๋ยวทเด็ ว่บาบุญวัฒนธรามพละมีเราไม่ถึงก็ขี้เกียจจริงจริงทำให้สนใจแบบไหนนะไม่ได้เนี่ยเอาเข้าไปให้กินนะเอากินไม่อาปากขึข้นกินไม่นไมกินได้ทําเอาอาหาเข้าในปากก็ไม่กินเนี่ยมันจะปิดมันจะกินเอาพูให้ยฟังเอาสามีอุ้หูไว้มันจะเข้าไปในลำไส้เนี่ยพละมีมันอยู่ที่ตรงนี้เราเปิดอยากจะสนใจเรื่องพละมีอะไรนะสนใจเรื่องของคิดมันทุกอยู่ที่นี้ ยินรับรอง่ามันรู้จริงๆ้วหนูเอาไค่สามปีอ่ะเลยจิน่ะเดือนสองพบาทนะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะเริ่ม ต, นตน้นไม่ต้องกลับบ้านเลยนะสู้นจริงๆเนี่ยรับรองวาบันทึกไว้วันเดือนปีบันทึกไวมวันนี้เป็นวันที่ยี่ยี่สิบสองมกราคมสองพันรยี่สิบหกตรงกับเดือนสามคนเก้าค่ำวันเสาจาก เชื่ออะไรแก้วฝันแก้วแก้แก้วขันแก้วขวนหอพอดีหรือจะให้ใค้ให้ท่าดีสวังทํายเดือนนี้ไม่ถึงส0งพันอะทำลายเดือนนะเดือนนี้ไม่ถึงส0งพันทำลายเดือนหวังหวังจะได้ไปสองพันทำลงจริง งัดหลงหวังไม่เปิดคามปีจริงๆอ่ะโกะที่มันจะหายไปเลยมันจะหนีไปเลยมันจะไม่ทุกข์เลยท่าทนี้ยังนี้เลยคําพ่อเราเป็นคนธรรมดาซึ่งต้องมีครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่พี่น้องไอ้การที่จะเอาสลาเวลามาอยู่ตั้งสามปีเ น, นี่ยของยากท่นี้ของพ่อจะมีอะไรจะแนะนำไหมว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตแบบทุกคลีอยู่กับพวกการมารมอะไรทั้เนี้ยจะช่วยได้อย่างไรบ้าง ยุคนี้มันเป็นของนม่ยากเพราะเราทารํางานทํางานเราทําการทํางานจะห้ามไม่ให้คนอื่นพูดไม่ได้เราต้องดูใจเราคนอื่นพูดขึ้นมาปุ๊บเรารีบมาดูใจเราอย่าไปฟังนั้นมากเพียจจงแต่จำความหมายเขาได้อย่างที่เรางพ่อพูดเนี่ยแล้วหูฟังหลวงพอ่อแล้วมีสติเข้ามาดูตัวของเราเองเอาดูเป็นแม่ดี่เนี่ยดูตัวเราแล้วหูฟังหลวพ่อพูดเนี่ย อันนี้ไปทําการทํางานอยู่กับบ้านกับเรือนล้างถ้วยล้างจานหรือเป็นข้าราชการเขียนหนังสือมือเขียนหนังสือตันนี้คนอื่นพูดให้เรามือกเขียนหนังสือหูฟังสติมันจะอยู่กับเรามันได้ยินไม่ใช่เราสติออกเทศอยู่ที่นทางเดิไม่ฟังคนท่านพูดไม่ดูคนท่านเดินมาอันนั้นมันเรียกว่าอะไรไม่ทราบนะถ้าจะพูดตะนะแต่มันก็หนักหนักแต่เดี๋ยวก็พูดคนตายแล้วมันกินข้าวไม่เป็นนะไม่ต้องไปสอนมันอย่างนั้นนะ เราต้องฟังเป็นพอดีคนทีนพูดแล้วก็มาดูใจเรบฟังซึออ่งเขาพูดอย่างนัออ้นเะอ้าดีๆนะคอยดูใจเมืออ่อเรอสติอยู่นี่แล้วมันจะไม่โกงมันจะไม่โกงจริงๆเมื่อไม่โกงเราทํางานท ำ, ท ำ, ทำงานก็นกนได้เล่าเทวดากระเป็นสักผ้าก็เป็นเนี่ยเขียนหนังสือกระเป็นไปจับผู้ต้องหาก็ได้ตารวจเนี่ ย, ยถ้าหาเนี่ยป้องกันประเทศชาติก็ได้ทางานตามหน้าที่ของเราให้เขาใจ คอยดูไปเรื่ยเดินไปถ้ามันขึ้นรถเมย์ก็ต้องจับอย่างนี้บ้างกำมือเหียดมือบ้างเอาหั่นเกาเนี่ยอย่าไปนั่งยองๆอย่างนี้านนนนนมาได้คุณนอนมันสงบโดยไม่เห็นบางที่เอาของไปขายเขาเอาไปหมดแล้วของขายเไปแล้วขาดทุนแล้วนั่งมองอยู่อย่างนี้ยเอาของไปขายคือยัอยากไปเอาของฉนะันไหมอยาไปขายในตลาดนั้นเนี้ยราคาทรานั้นนะขาเนะี่ยถามได้อย่างนี้แล้วพอทําคนรู้สึกเรื่อยพอเดิมนมาคิก ป, ปุ๊บเอาไหมสิบบาท เอ้ดิันซื้อมายี่สิบบาทแล้วเนี่ยแต่คงจริงซื้อสิบห้าบาทก็ามาได้อาอแทนึ้นเอาเถอะยี่สิบาทนะขอให้ได้นอนๆตัดสินใจใ้เพื่อนข้างหน้าอย่านี้มาได้เหมือนกันได้เงนาบาทเดียวเขัามาม่ได้เงนนั่นเองไม่ใชเรื่องเราซื้อสิบห้าบาทขายี่สบาทกำไรห้าบาทเราแทนึ้นขายคุ้ม้ายลดแง่อะไรขายลดเหนื่อยคุ้มแง่ไอ้ทีน่าพูดอย่างนั้นเรื่อยๆอย่ะไปพูดเรื่องสินเรื่องอะไรทั้งหมดอย่าไพูด ให้เสียนักษาคนรักษาศีลเนี่ยใครจะรู้อ่ะตานาแม่ฆ่าสัตอาทิหนาไดรักของเขาการเมรับพฤติผิดมูษาได้โกหกสุลาไม่กิดได้ดื่มแล้วพูดจนตายพูดจนตายไม่รู้แม่ฆ่าสัต์สัตว์นั้นคือว่าทุกคนมันต้องอย่าฆ่าสัตว์อย่างที่สัตว์จากได้ของจริงอย่าไปฆ่านมันตายมรรคผลที่ผ่านมันมีอยู่ในเ น, เนื้อวุ่น เนี่ยค่าสัตว์อันนี้แกสัตว์อันนั้นคือพวกคนป่าเขาไปกักขึ้นมาไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวนี้พอร้ให้ฟังสิ่งสี่สิ่งคนปลามีสี่ข้อไม่มีสิ่ห้าเนี่ยพอเคยร้ อ, องให้ฟังอาธิการแม่นักของเขาอย่าไปจํตาตําลาอย่าไปพูดมากเรื่องตำตำลาบันนี้ตามไม่ได้ไม่ประพฤติผิดคือไม่คุมเห็นเจ็ิร้ายเขาคือไม่ค้มไม่คุมขืนใครทั้งนั้นให้มันพอดีพอดีขวอญ ถ้าไม่เป็นของเราจะไปเขาถ้าเป็นของเราเขาเอาไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอย่างนั้นสมมุติเขามีมีอาหารดีๆสักข้วยหนึ่งพอดีเราไปถึงเขายกให้เขากินไม่อาหารเนี่ยกินไม่กินไม่ได้ไม่กินกินเขาเป็นอย่างนั้นเราต้องกินรู้จักประมาณโเสเน ม, มัสการโยภาพโเสเน ม, มัสการโยตานอันนี้ยกภาพอับดุลเนียนะให้รู้จักกินให้รู้จักพรให้รู้จักกันไว้ มุ่งสาไม่โอบมุ่ไม่หลบลวงพูดตรงไปตรงมาจรัสจะจริงจริงสซล่าไม่ถึงหน้าเมา อ, อันนี้คพูดแต่ผมจริงมันนิดเดียวเท่ น, นั้นเองคืออยากฆ่าตัวเองให้ตายไปัเนี่ยีกว่ามันไม่เข้าใจเลยอันนี้เข้าใจเมื่ออายุสี่สิบกปีมาหนี้เดียต้องรักษาศีล น, นะถ้าศีลมารักษาเอาเอง อ, อย่างนั้นเองเราต้องเข้าใจคำว่ารักษาศีลเนี่ยทุกคนรักษาศีลมา ตัวของมันจะมารักษาศีลมาทั้งที่มันเป็นนุ่มไปไหนมาไหก็ต้องระมัดระวังกลกัวผิดศีลยิงยิ่งกลัวเขาเยิงผิดไปมากยิ่งกลัวเขาเยิงผิดไปมากจริงๆเรเป็นโอ้เรื่องเล็กน้อยยังเขา้าใจที่พูดให้สั้นนิดใครทําได้เดี๋ยวนี้เราดูใจของเราทำได้ไหมเดี๋ยวนี้นมีสติยกมือขึ้น ยกมือขึ้นยังนี้ใครรู้เลยเนี่ยรู้จิตใจเราสบายอนี้ใครรู้มันยกมือสูงๆเนี่ยต้องทําได้ทุกคนเะเพราะมันมีแล้วเนี่ยดูอย่างนี้แหละดูใจเราเนี่ยไปยดูอย่างนี้นหละไปเขียนหนังสือก็นนกกดูอย่างนี้แหละดูเขียนหนังสือกับเป็นเนี่ยกินข้าวกันเนี่ยดูอย่างนี้แหละดูไปวันจะคิดพวกคนโอที่ตรง น, นี้เองมันจะรู้ทันทีเลยรู้แล้วมันจะค่อย ด, ด, ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกับที่เรา เอาผลาไม้ไปวางในดี่ที่มันซุ่มมันน า, นนานๆพืชมันจะงอกออกมาจิบๆเราถ้าเราเด็กเพราะเรวันนี้จาะงอกมาวันนี้มันไมได้อพราั้นเข้าใจไหมอย่างที่หนูจะมาจริงๆเงนี่ยเอารับรองสามปีไม่พาดเลยไม่พลาดจริงๆแต่ว่าพวกนี้อาจจะนานไปสามปีเขาะจะไปทำวันหนึ่งจะได้ส่วนวงเดียวหรือวันหนึ่งจะได้ห้านาทีหรือสองนาทีก็ยังดีหนูอยู่เนี่ยวันหนึ่งที่ของส่วโมงอย่างน้อยต้อง ได้6ั่วโมงเอาวันนี้วันหนึ่ง12ชั่วโมงอย่างน้อยมันจะได้10ชั่วโมงมันจะลดไปบันนี้วันหนึ่ง12มันจะได้12ชั่วโมงเป็นเตี้ยเลยจะมาทำจริงจริงเนี่ยนักเราไม่พลาจะฆ่ากับนักท่ามาต่อมาไม่เป็นไรจะเป็นนักปุ้นนักจี้มาต่อมาเคยสอนมาแล้วอั น, นี้เคยสอนมาเป็นจำนวนมากแล้วคนเนี้ยเคยฆ่าคนมาแล้วเรื่องฆ่าคนในเรื่องเรื่องเรื่องเจริญสติอีกเรื่องคนละเรื่องกังงน นี่พูดคนจริงให้ฟังนะเี่ยสมัยหนึ่งเมืองลาวกับเมืองไทยเป็นสงครามกันวนี้สงครามเขาเรียกว่าสงครามจีนอันนี้พูดคนจริงให้ฟังเมืองลาวมันใกล้กับบ้านเราทำามเขามีวมีควายมากบันนี้พวกเรามันดีกวา่ามีอํนนานาจก็เอาปืนเอาอะไรแต่ฆ่าคนตรงนั้นตายหมดเลยตายแล้วเควายเขาฆ่ามามาคางวันนี้เขาคนนั่นเป็นลูกลูกเขาเป็นนง เป็นน้อยเนี่ยไม่ตายพอแม่ตายไปเด็กคนนั่นก็ไม่ตายมันก็เจ็บเจ็บในใจมันนอะค้าพ่อพูค่าแม่พูออกควยพูไปแบบมันนั่นตาไหลเ ย, ยี่ยวไตเตาเลยในคขานัน้นดูมันอายุน เ, เนี่ยเจ็บแปดปีเด็กน้อ น, นจนังได้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็แก้แทนเลยดูมันพูดให้ควาว่ามันฆ่าไปเจ็บศพเลยมันบอฆ่าเจ็บศพเลยเพรามันล้างแค้นฆ่าพ่อผมฆ่า บัดนี้มันมาปฏิบัติธรรมะมันก็รู้แต่ว่ามันไปสั่งมากพูดนะมันคิดว่าแค่ดิน่ะจินมันทีเดียวลูกขึ้นอย่างนี้เลยเฮ็ดจังจะอย่างนี้แหละมันมันว่าแค่ดิน่ะอย่างนี้มันจะเอามันไปกินเลยท่านีูยเลยพอเข้าไปอ่าทางอะไรบ้านอะไรนี้แค่ดินกำลังจินย่าออกเออแค่ดีน่ะเดินตาดีๆรู้เนี่ยอ๋อบัดนี้ผมไม่ได้ดูที่ดินผมดูไปพุ่มไม่ได้ดูที่มันออกนอกตัว แต่ริ้วปรทัดเห่านี้มันเพราะมันไปคิดไปยึดไปถือในตำนานตำนานอยากเข้าใจกังเขาทํามาเอาไว้แต่ไม่ใช่ขอนให้ฆ่าคนนะเนี่ยไม่ใช่สอนเมื่อไปพบอันนี้แหละมันจะรู้ว่าชีวิตทุกชีวิตเหมือนกับเรามันจะไม่เบียดเบียนค น, นไม่เบียดเบียนคนนี้ไม่เอาเปรียบใครเลยทําการทำงานใทํานหน้าที่เท่านั้นเองที่พูดเนี่ยก็พ อ, พ อ, พอแล้วนี่ที่ว่าคงจะจําได้นะ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 ม่ใมันมีซ่องว่างใหมันติดกันเหมือนลูกโซ่ถ้ามันค้างอยู่ข้างบนก็ลำบากอะไรแบบน้ค้างก็แล้วไปมันหลับก็แล้วเมื่อมันไม่มีสติก็แล้วไปเป็นอย่างนี้พอดีมันรู้สึกออกมาเลยพอดีเอาไว้นี้มันลืมมันเอาไว้นี้พอดีมันคลิดได้มาออกมานี่เลยเมื่อแต่มันคิดได้ยามใดทํายามนั้นเลยไม่ปล่อยทิ้งเลยหายใจทิ้งไม่ออก เอะเมื่อเมื่อนี่แหละนอนตะแคงนี่การท่า น, <mm <ul ment> นนอนคนเยอะคงได้เพ่าะแต่ส <mm <ul ment> <mm <ul ment> คนทั้งยุ่งเสองคนก็หันหลังให้กันจริงเลยเนี่ยพี่เคเ่ยนะบันนี้ก็ทําอย่างนี้ก็ได้เนีรือจะทําอย่างนี้ก็ได้หยุดพุน้นแล้วก็มาทําอย่างนี้ก็ได้แต่รู้ <mm <ul ment> สึกตัวอย่างร <mm <ul ment> ู้สึกตัวอย่างอให้มันติดต่อันเหมือนลูกโซ่อะน ให้มันหมุนได้สั่วโมงเดียวก็ยังดีนะห้านาทีก็ยังดีนะเนี่ยให้มันติดต่อกันเข้าไปหยุดได้เต็มเมื่อเราเข้าใจแล้วทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันเป็นอัตโนมัติแล้วนะ